ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรมชนะซึ่งความยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะซึ่งรดทั้งปวงคำนี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้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 ที่เป็นที่มีความเคารพนับถือร่วมสายท่านในภาคปฏิบัติทั้งทางด้านจิตใจอาจารย์นั้นไปอยู่สถานที่ใดผูกศิษย์ลูกหาจะทยอยไปเรื่อยๆเรื่อ ย, อ ย, อยจนกระทั่งมากมายไ ก, กลกองยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านจัรมั่นเป็นต้นท่านไปอยู่ในสถานที่ใดผูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้อยู่ไกลมักจะทยอยไปหาท่านเสมอแม้จะอยู่กับท่านโดยเฉพาะ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 ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชนจาผู้มาศึกษาแต่ถามมันมากมายไ ก, กยกองไม่ผิดหวังนี่ความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้แล้วตะกี้นี้แล้อาธิยกขึ้นเรงเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่าวมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ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 อ้าวเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในที่สงบสงด ก, กำหนดพิจารณาดูร่างกายในขณะที่นั่งภาวนามันทะลุ ป, ปูผงโล่งไปหมดทั้งร่างกายว่าอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกทราบซึ้งเราจะพิจารณาดูตามผิวหนังข้างหนอกอ่ะเราจะพิจารณาให้เป็นอรูปะอสุพังก็ดีมันก็เป็นอย่างชทททัดๆเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นอยู่แล้ว เป็นแต่เพียงว่าจิตทั้งเราไม่เดินตามความจิิความจริงนั้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุที่ขัดแย้งกับความจริงนั้นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพยยิจารณาอ้าวเราเดินกรมน ร, ร, นกรมฐานคือจิตพาจิตเดินกรรมฐานท่องเที่ยวในสกลอากายคือขันหา น, นี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศีรษะเดินลงเบื้องต่ำถึงพื้นเท้า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 ก็เป็นเครื่องสอนเห็นว่าอาการอะไรที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้ น, น, น, นถ้าจะเป็นไปใน ท, ทางที่ปลูกมัดตนเองคือเป็นในทางสมุทยัยมันก็ต้องอาศัยความหมายนี้ไปไปเป็นธาตุธาถือปลายสำคัญมั่นหมายถ้าเป็นไปใน ท, ทางปัญญาก็อาศรรัยปัญญากระแสของจิตนี่เองไปพิาจารณาตรองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามา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 เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องหยากเรื่องละเอียดเรื่องกลางๆเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นเตรียมความกระเพื่มของจิตในขณะที่มีอะไรมาสัมผัสเท่านั้นถ้าหากอะไม่มีอะไรสัมผัสโดยลําพังนตนเองท่านเรียกว่าสังขารถ้ามีอะไรสัมผัสท่านเรียกว่าวิญญาตมีเราหมายถึงสังขารคือปรุงโดยลําพังตนเองโดยไม่ต้องอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องปรุงขึ้นยาบดับไปพร้อมดับแต่พร้อมนี่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 ว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกเข้าไปว่าอะไรเป็นเครื่องเสียมสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษนี้จึงต้องทำทุดทนตลอดเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอกลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นค่อยลกนี่มันก็กุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้นนี่นะปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา